ก็ขออนุโมทนาขอเจริญพรญาติโยมทุกทุกท่า น, นวันนี้มาสนทนาธรรมะ ก, กันอันสืบเนื่องมาจากการที่ได้บรรยายธรรมะที่ยุวพุทธิกะสมาคมทำวิดีโอคอเนี่ยไปที่ที่โนนเพราะว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพ ไปๆมาๆก็เลยว่าเออก็อยากจะมาพูดสนทนาธรรมะกับเราท่านทั้งหลายเนาะถ้าหากว่าเรามีความสงสัยเรื่องอะไรก็สอบถามสนทนาคุยกันแต่วันนี้เปิดประเด็นไว้อยากจะสนทนาเรื่องพรหมวิหารเพราะว่าไปอบรมจัดคอร์สการอบรม เมตตาภาวนาที่ยุวพุทธกาสมาคมแห่งประเทศไทยที่ศูนย์หนึ่งแต่ว่าไม่ได้ไปนะก็ใช้ระบบนี้แหละระบบเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราได้เห็นกันนี่แหละจากนั้นก็เลยพูดในเรื่องของพรหมวิหารมาสองวันสามวันแล้วเมื่อเช้านี้ก็พูด เ, เมื่อเช้าพูดไปใช่ั้ยแต่ตอนบ่ายไม่ได้พูด พูดไปเล่นลืมก็เลยนึกถึงพูดถึงในเรื่องของพระมวิหารว่าเมตตากรุณามุทิตาและเวกขานเป็นธรรมะเครื่องอยู่อย่างประเสริฐเสียงใครดังโคก็คือธรรมะเครื่องอยู่อย่างประเสริฐธรรมะประจําใจอันประเสริฐหลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ธรรมะที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและก็กํากับ ความประพฤติจึงจะชื่อว่าเป็นการดำเนินชีวิตอย่างหมดจดและสามารถปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายได้โดยชอบนี่หลักการของพระมเหหารเป็นไปได้ลักษณะอย่างนี้ทีนี้ประเด็นมันก็อยู่ว่าเมตตาเนี่ยนะความรักความปรารถนาดีความเ อ, อื้อทอนเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะรู้กันค่อนข้างเยอะกรุณาก็แปลว่าความสงสารจริงๆแล้วเนี่ยสงสารเนี่ย กรุณาศัพท์นี่ยมาแปลว่าสงสารภาษาไทยเนี่ยบางทีก็มันก็แต่มันเป็นความเข้าใจของคนไปแล้วจริงๆก็คือว่าคือเก <c oughs> ิดคำว่าสงสารคว่าการุณาศัพ์นี่แปลว่านิ่งดูดายไม่ได้คิดจะช่วยพ้นทุกไฟใจในอันที่จะปลดเปลื้องบาบัดความทุกข์ความเดือดร้อนของปวงสัตว์ทั้งหลายเนี่ย มุษทิตาก็ก็คือพรอยยินดีเมื่อผู้อื่นประสบความได้ดีมีสุขสิ่งที่ยากหน่อยก็คือในเรื่องของอุเบกขาความวางใจเป็นกลางอันได้ดํารงอยู่ในธรรมะตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญาก็คือมีจิตที่เรียบตรงเที่ยงเที่ยงธรรมดุจตาโชงี้เป็นต้นประเด็นอยู่ตรงนี้ว่าการที่เราจะขับหรือการที่จะผักให้ตัวพรหมิหารคือเมตตาเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือว่า สิ่งที่สาคัญมากที่สุดก็คือฉันทะในพุทธพจน์พระเจ้าตรัสบอกว่าฉันทะเนี่ยเป็นรากเงา่าหรือเป็นต้นตอของสัพพ ธ, ธรรมะทั้งปวงทั้งความดีทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นตลอดถึงสิ่งทั้งปวงทั้งหลายมาจากคว่าฉันทะมูลกาสะเพธรรมาเนี่ยทำทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูลเนาะฉะนั้นเวลาจะให้ตัวเมตตาเกิดขึ้นเนี่ย สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าต้องทำฉันทะมีใจรักปรารถนาดีความเอื้อทอรให้เกิดขึ้นเมื่อทำฉันทะความรักความปรารถนาดีให้เกิดขึ้นมาเป็นตัวรักในอะไรรักในอันที่จะทำให้เมตตาเกิดขึ้นรักที่จะทำให้กรุณาเกิดขึ้นรักที่จะทำให้มุทิตาเกิดขึ้นรักในอันที่จะทาให้อุเบกขาเกิดขึ้น ฉะนั้นตัวให้ฉันท้าเป็นตัวผลักดันให้ตัวพรหมวิหารธรรมคือเมตตาเกิดขึ้นเป็นต้นเหล่านี้ประเด็นก็เลยอยู่ตรงว่าจะทําอย่างไรที่จะทําให้ฉันท้เนี่ยมีพลังในการที่จะขับเคลื่อนในกรณีที่ให้พรหมวิหารมีเมตตาเป็นต้นเกิดขึ้นประเด็นก็อยู่ตรงที่บอกว่าเมตตาเนี่ยเป็นข้อแรกคือเมื่อมีฉันทะออกมาแล้วก็อยากให้คนและสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอยู่ในภาวะที่ดีเช่น อยากให้เขามีร่างกายแข็งแรงพอมีความรู้สึกว่าอยากให้ร่างกายเขาแข็งแรงปุ๊บเนี่ยนยไอ้ใจรักในการที่จะทำให้ก็เลยมีเมตตาไอ้ความรักความปรารถนาดีความเอื้ อ, อทรแบบจับจิตจับใจเนี่ยก็จะมีตัวฉันท่าคือใจรักคือไฟรู้ไฟไฟมีใจรักว่าเออเรารักท่านผู้นี้นะ เราปรารถนาให้ร่างกายท่านูนนี้แข็งแรงเราปรารถนาให้ท่านูนนี้มีเสื้อผ้าดีๆเราปรารถนาให้ท่านูนนี้มีที่อยู่อาศัยที่ดีๆทั้งหลายเหไรเนี้ยพอมีใจรักอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บเนียก็มีความเพียรพยายามในอันที่จะประคองผักให้เมตตาเกิดขึ้นแล้วก็มีจิตจดจ่อในอันที่จะทำให้เมตตาเกิดขึ้นด้วยแล้วก็มีปัญญามาสอบสวนมาตรวจตรามาวิจัยแยกแยะ ว่าเราจะให้องค์ประกอบอย่างไรนะเนอะจะให้จิตใจของเราเนี่ยเป็นไปกับเมตตาไดเร็วและเกิดขึ้นได้สะดวกได้ดีที่สุดอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการของการใช้อิธิบาทโดยเฉพาะข้อฉันท่เนี่ยสาคัญที่สุดที่จะทําให้เมตตาเกิดขึ้นได้จริงอย่างนี้เป็นต้นยิ่งนั้นเมตตาเนี่ยเป็นธรรมะที่ประจําใจใช่ไหมทีนี้เมตตาโดยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะท่องกันและเกินเมตตาเมตตาแต่ว่าถามว่าจะให้เกิดขึ้นได้อย่างไร ไอ้ความรากักความปรารถนาดีอ่ะต้องที่จะมีความรักในปวงสัตว์ทั้งหลายหรือรกักตนเองก็ได้อายกตัวอย่างเช่นที่เห็นได้ชัดกันที่สุดก็คือว่าทําไมเราต้องรักษาศีลเรามีเจตนาในการที่จะให้พฤติกรรมทางกายของเราเนี่ยงดเว้นจากการฆ่าทีนี้การที่เรามีเจตจํานงมีความจงใจที่จะไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รังแกสัตว์เนี่ยเจตจำนง จงใจและตั้งใจอย่างนี้ก็ต้องการในพฤติกรรมของเราในสะอาดบริสุทธิ์ไม่ต้องการให้ไปเบียดเบียนคนอื่นฉะนั้นการที่มีใจรักในกระแสะชีวิตของตนเองปรารถนาให้กระแสะชีวิตคนตนเองนั้นอยู่ดีมีสุขมีความสุขและมีอายุยืนก็เลยมีเจตจํานงในการที่จะทําให้ตัวกุศลศีลเกิดขึ้นในตนการที่จะมีเจตจํานงจะทําให้กุศลศีลเกิดขึ้นในตนก็มาจากอะไรมาจากฉันท่ามีความรักตนรักอะไรด้วยรักตัวศีล ศีลมันดียังไงเมื่อศีลเกิดขึ้นในกระแสชีวิตแล้วเนี่ยตัวกุศลศีลก็จะมากำกับพฤติกรรมทางกายทางวาจาแล้วก็มาทําให้อาชีพนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามไม่กระจัดกระจายไม่สซ่านไปด้วยความทุศีลและในขณะเดียวกันก็คือเวลากุศลศีลเกิดขึ้นแล้วเนี่ยกุศลศีลก็มากำกับปิดกั้นก็คือมละทุจริตทางกายทางวาจาเป็นต้นเหล่านี้ถามว่าการละทุจริตนี่เคาละยังไง เวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการลักเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการประพฤติผิดในการมเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดเท็จเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดส่อเสียดพูดให้คนแตกแยกกันเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดคําหยาบเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดเพ้อเจือหรือว่า เวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการประพฤติผิดในกาบหรือเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุการเลี้ยงชีพผิดทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเจตนาชั่วลายทั้งหลายเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ากุศลศีลเกิดขึ้นมามีเจตนาที่จะทําให้กุศลจิตเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยตัววิรัตเนี่ยมีวิรติเช่นสัมมากัมมันตะวิรติก็จะมาตัดรอนบาปทางกายกรรมสัมมา วาจาวิรติก็มาตัดรอนบาปทางวาจาสำเมาอาชีววิรติก็มาตัดรอนบาปที่จะเกี่ยวการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดเจตนาชั่วร้ายที่เป็นไปกับทางกายทางวาจาและเป็นไปกับการเลี้ยงชีพที่ผิดทั้งหลายเหล่านี้ก็ถูกตัววิรัตเนี่ยเข้าไปทากิจในการที่จะงดเว้นแต่ถ้าามว่าวิรัตเหล่านี้จะงดเว้นได้ไหมถ้าไม่มีเจตจานงไม่ได้เลย ต้องมีเจตนามีความจงใจมีความตั้งใจที่จะผลักดันให้ตัววิรตีเหล่านี้ขึ้นไปทํากิจในการที่จะประหารบาปอกุสนลกรรมอันช่วร้ายทั้งหลายที่จะมาคอยทําให้พฤติกรรมทางกายทางวาจานั้นเกลื่อนกลลกระจายหรือทําความทุศีให้เกิดขึ้นแต่ถามว่าเบื้องหลังที่จะทําให้ตัวกุศลธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นมันมาจากตัวฉันทะนี่แหละ ชันท้านี่ก็คือมีความรักมีความปรารถนาอย่า ง, างเ ม, ามื่อสักครู่พูดเรื่องเราเมตตาใช่ไหมถามว่าเรารักตัวเองไหมถ้าเรารักตัวเองจริงๆเราก็ไม่ต้องการให้บาปไม่ต้องการให้พฤติให้กระแสะชีวิตของตนเองเน่ะต้องไปตกระกรรมลําบากเช่นความเป็นผู้มีอายุสั้นความเป็นผู้จะต้องไปลงอบายทุกขติวิบัตินโลกความจะเป็นผู้ที่วิบัติด้วยทรัพย์ความเป็นผู้ที่ทําให้ตนเองเกิดมาแล้วไปอยู่ในครอบครัวตระกูลไหนแล้วก็แตกแยก ความให้ตนเองก็เกิดมาก็มีปัญหาทั้งด้านปากหรือทั้งด้านพูดยาแล้วก็ไม่มีคนเชื่อถือถ้อยความถ้อยคาเป็นต้นหรือการหากินทั้งหลายเหล่านี้ตนเองก็ต้องวิบัติเพราะการเลี้ยงชีพนี้เป็นต้นฉะนั้นเราความที่รักตนเองเนี่ยใจที่รักปรารถนาให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตนเองก็แปลว่าต้องการให้กุศลศีลเนี่ยเห็นว่าศีลเนี่ยดีที่สุด ถ้าศีลมากำกับในกระแสชีวิตของตนเองแล้วเนี่ยกุศลศีลก็จะรักษากายรักษาวาจารักษาใจของตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์เยี่ยมอ่องผ่องแผ้วฉะนั้นว่าเจต น, า, นจาศีลเจิกศิลสังวรศีนาวิติกรมศีลกลุ่มกุศลจิตทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจแล้วมากำกับพฤติกรรมทางกายทางวาจาและอาชีพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงานไม่เกลื่อนไม่เกลือกล่อนกล่นไม่กระจัดกระจายไม่สซ่านไปด้วยความทุศีเป็นปต้นเหล่านี้ฉะนั้นตัวกุศลศีลเนี่ย จะเกิดขึ้นมาเพราะว่าเรามีใจรักรักก็คือมีความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนแก่นตนเองใช่ไหมเมื่อรักตนเองแล้วเนี่ยเราปราถนาเมื่อรักตนเองแล้วเราก็ไม่ทําบาปไม่ทําอกุศลไม่ทําสิ่งชั่วร้ายเพราะถ้าทําสิ่งชั่วร้ายเนี่ยแปลว่าเป็นคนไม่รักตนเองเราจะไปอ้อนวอนยังไงกันเป็นการสร้างเหตุปัจจัยที่ผิดภาคนี้เป็นต้นที่จริงตรงนี้ที่ต้องการจะพูดให้เราทั้งหลายได้ฟังก็คือเมตตาเนี่ยความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนเนี่ย ถามว่าเกิดขึ้นในวาระไหนเกิดขึ้นในยามที่วาระปกติเช่นในยามที่บุคคลนั้นเป็นที่รักเพราะปีเมตตาเนี่ยก็มีปียมนาศัตววบัญญตัตเป็นอารมณ์คือสัตว์อันเป็นที่รักนั้นเป็นอารมณ์ก็หมายความว่าเรามองเห็นหมู่สัตว์ทั้งหลายเป็นไปโดยปกติเนี่ยแล้วก็มีใจรักไปปรารถนาดีกับเขาการที่มีใจรักปรารถนาแ ก, ก่เขาก็คือต้องการอยากจะหยิบยื่นประโยชน์ไปให้เขา ทีนี้ถามว่าเมตตาเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ดูตรงไหนดูสภาพจิตใจถ้ากำจัดความอาฆาตความพยาบาทหรือความโกรธลงไปได้ทำลายความโกรธไปได้อันนี้แปลว่าเมตตาเกิดขึ้นได้จริงแต่ถ้าความพยาบาทหรือความอาฆาตความโกรธความหงุดหงิดไม่ได้หายไปจริงนะล้วได้จะบอกว่าเมตตาอยากให้เมตตาเกิดขึ้นอย่างนั้นบ่งบอกให้เห็นชัดว่าเมตตาไม่ได้เกิดขึ้นจริงเห็นหว่า ทีนี้การที่เมตตาจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ได้จริงแปลว่าอย่างที่บอกว่าฉันท่เป็นเป็นมูลเหตุทําให้เมตตาเกิดขึ้นเมื่อมีฉันท่มีใจรักอย่างแรงกล้าขึ้นมาว่าเมตตาดีจริงๆเมตตาเป็นคุณธรรมที่ควรประจําไว้ในใจควรมีไว้เป็นหลักใจเพื่อไว้กํากับพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาในการดําเนินชีวิตพอมีใจรักอย่างนี้ขึ้นมาก็ภาคเพียรในการที่จะประคองผักดันให้เมตตาเกิดขึ้น อุทิศกายอุทิศใจทําให้เมตตาเกิดขึ้นมีปัญญาสอบสวนตรวจตราในการที่ทําให้เมตตาเกิดขึ้นได้จริงๆเมื่อทําให้เกิดขึ้นได้จริงๆมีอุบายวิธีในการเกิดขึ้นให้เมตตาเกิดขึ้นได้จริงนั้นด้วยความชานฉลาดชานฉลาดอย่างไรก็คือรู้จักมองจุดเด่นของหมู่สัตว์ทั้งหลายถ้าเรามองพฤติกรรมที่ดีๆของหมูสัตว์ทั้งหลายโอ้คนคนนี้มีพฤติกรรมทางกายที่ดีนะมีคําพูดที่ดีนะมีสภาพจิตใจที่ดีนะ แล้วเราก็ใช้ความใช้ปัญญานี่แหละไปใส่ใจหรือไปพิจารณาถึงพฤติกรรมที่ดีที่งดงามของหมู่สัตว์พอพิจารณาอย่างนี้ก็เป็นปัจจัยทําให้เมตตาเกิดได้ง่ายเราก็เลยเกิดความรากักความปรารถนาดีความเอื้ออทรรเกิดขึ้นเมื่อมีใจรักปรารถนาดีเอื้ออทรเกิดขึ้นมาปุ๊บล้วก็ปรารถนาจะหยิบยื่นประโยชน์โดยเฉพาะก็คือปรารถนาคิดอขอให้ท่านผนี้จงนผู้มีอายุยืน ขอให้ท่านผู้นี้จงเป็นผู้มีความสุขขอให้ท่านผูเนี้จงประสบความสําเร็จในชีวิตในสิ่งที่ปรารถนาอันนี้ก็แปลว่าใช้ใจหยิบยื่นประโยชน์ไปให้เขาหรือถ้ามีโอกาสไม่ใช่แค่ใจแล้วพูดว่าท่านทั้งหลายขอให้ท่านนะจงเป็นผู้มีอายุยืนนะขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านปราศจากทุกข์ขอให้ท่านดําเนินชีวิตไปตามมรรคาของวชิชชาเจ้าเข้าถึงอนุ ป, ปาทาปริยพันธ์คือการสิ้นจากกิเลสและกองทุกข์นะครับเนี่ย ถ้าพูดไปในลักษณะนี้แปลว่าเมตตาวจีกรรมเกิดถ้าคิดปรารถนาดีกับเขาให้เขามีความสุขเป็นต้นให้เขาประสบความสําเร็จเป็นต้นอันนี้เขาเรียกเมตตามโนกรรมเกิดเอาถ้าทางกายเลยค้ขนขวายช่วยเหลือรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์กับเขาเขาขาดเสื้อผ้าเอาเสื้อผ้าไปให้เขาเขาต้องการน้ําเอาน้ําไปให้เขาต้องการที่อยู่ถ้าเรามีเราก็สละที่อยู่ให้เขาเป็นต้นเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะเขาขาดยาเอายาไปให้แต่มีใจรักใจปรารถนาดีเกิดขึ้นนะ อย่างนี้เขาเรียกเมตตาเกิดขึ้นที่นี้เมตตาเกิดขึ้นได้ดังกล่าวแล้วว่าก็มีตัวฉันทะใจรักว่าเมตตาดีจริงๆและเราจะไม่ทําเมตตาให้เกิดขึ้นแค่นิดๆหน่อยๆเราจะทําเมตตาให้เกิดขึ้นให้มีพลังจากขณิกสมาธิไม่พอเราจะทําเมตตาให้เป็นอุปจารสมาธินี่การจะทําให้เมตตาเป็นอุปจารสมาธิก็ต้องเมตตาตนเองให้ชุ่มฉ่าทําเมตตาให้เกิดขึ้นตนเอง เกิดขึ้นติดต่อต่อเนื่องไม่พอแล้วก็น้อมเมตตาจิตหรือน้อมเมตตาจิตโอนเมตตาจิตเนี่ยทําเมตตาจิตไประลึกถึงบุคคลที่เราเคารพเช่นครูอาจารย์เป็นต้นเราเคารพมากเรารักผู้นี้เคารพผู้นี้มากคิดถึงท่านผู้นี้แล้วก็น้อมว่าให้ท่านมีความสุขให้ท่านมีอายุยืนเนียที่บอกว่าสุขกายสุขใจปลอดภัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือเราทว่าที่ถ้าเราเป็นภาษาที่เราใช้ส่วนหรืออาหังสุกิโตโหมิ ถ้าคิเมตตาตัวเองคอยข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดอาหารอเวโรโหมี oh omi, ขอยข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรแก่ไขไขเลยอาหารอพยาปโชโหมีคอยข้าพเจ้าอย่าได้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตปองร้ายเบียดเบียนซึ่งไขไขเลยอาหารอ น, นิโคโหมี omi, ขอยข้าพเจ้าอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอหางสุขีอัตานางปริหารามีขอยข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตัวในพ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเถินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่หลักการจริงๆก็คืออันนี้เป็นเป็นรูปแบบในการที่จะเป็น เครื่องพยัญชนะคําท่องนี้เป็นคํานําล่องแต่ถ้าท่องแทบตายแต่ใจไม่ใจไม่อ่อนโยนใจไม่เบาใจไม่ควรต่อการงานเป็นกุศลใจไม่คล่องแคล่วในการงานเป็นกุศลใจไม่ซื่อตรงใจไม่ชุ่มชําไม่มีปราโมทย์ปีติปัสสิทธิไม่มีสุขไม่มีสมาธิไม่มีเมตตาจิตเกิดขึ้นได้จริงอันนี้แปลว่ารมเหลวเมตตาไม่ได้เกิดจริงนี้เป็นต้นเห็นไหมว่าฉันถ้าเป็นปัจจัยเกิดเมตตาได้ ด้ความได้มีความใจรักปรารถนาดีนี่แหละผักดานใหเมตตาเกิดขึ้นทีนี้ถามว่าเมตตาเนี่ยมันจะมีสองกรณีใช่ไหมมันจะมีเมตตาแท้กับเมตตาเทียมยอมรู้ไหมเมตตาเทียมเป็นยังไง ร, รักเทียมก็เป็นองค์ธรรมของเขาสภาวะของเขาได้แก่ตัวตันหาภาษาพระเรียกว่าตันหาเปรมรักแต่ปรารถนาอยากให้สิ่งที่ตนเองรัก มาตอบสนองอัตตาตัวตนความรักที่เป็นตันหานี่ก็มีสุขเวทนาเป็นเป้าประสงค์เป็นจุดหมายมีความไม่รู้อยู่เบื้องหลังมีอัตตาตัวตนเป็นศูนย์กลางคือตัวตันหานี่มันยังมึนมันจะไม่รู้มันจะเข้าใจว่ามันมีตัวตนเป็นแก่นเป็นแกนจริงๆและสิ่งที่เขาต้องการก็คือสุขเวทนาเช่นว่าถ้าได้ความสุข ใจสุขเวทนาได้เสพแล้วเดี๋ยวโอ้เขาเอาถึงนั้นได้รูปที่สวยๆเสียงที่เพ้อๆกลิ่นที่อหอมรสที่อร่อยสัมผัสที่นิ่มๆใครก็แล้วแต่ที่สามารถตอบสนองให้เขาได้สุขเวทนาจากการได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสได้สัมผัสได้คิดนึ่ยเขาจะน้อมไปอยู่กับคนคนนั้นและเขาจะชื่นชมคนคนนั้นเพราะเขาได้สุขเวทนามาตอบสนองอัตตาตัวตนเพราะมีความไม่รู้คือโมหะอยู่เบื้องหลงังเนี่ยไอตัว เมตตาเทียมเป็นอย่างนี้แต่ถ้ารักแท้หรือเมตตาแท้เนี่ยองธรรมสภาวธรรมได้แก่อโทสัตอโทสะก็คือสภาวะที่ไม่โกรธเป็นอันเดียวกับขันตินะเป็นสภาพจิตที่มีความแข็งแรงอดทนและตั้งมัน่นแต่ให้สังเกตดูนะว่าในขณะที่มีความอดทนมีจิตใจดีมีจิตใจร่าเริงผ่องใส เป็นตัวอะโทสานี่แหละเกิดความไม่โกรธเกิดขึ้นเช่นในขณะที่สวดมนต์ในขณะที่ฟังในขณะที่สวดมนต์หรือในขณะที่ทํากิจกรรมต่่นๆเนี่ยแต่ไม่ได้มีสัตว์บุคคลเป็นอารมณ์ในขณะนั้นไม่เรียกว่าเมตตาเขาเรียกว่าขันติก็ได้เรียกว่าอาัโทสาก็ได้คือความไม่โกรธเห็นไหมไม่เรียกว่าเมตตาถ้าถ้าไม่มีสัตว์ drafted, บุคคลเป็นอารมณ์ไม่มีสัตว์อันเป็นที่รักเป็นอารมณ์หรือเป็นเป็นที่เลลึกถึงไม่เรียกว่าเมตตา เมตตามีข้อจำกัดเช่นยกตัวอย่างเช่นสวดมนต์ไหว้พระระเลกถึงพระเจ้าเลกถึงพระธรรมเลิกถึงพระสงฆ์และเลิกถึงอริยสงสาวโของพระเจ้าเนี่ยแต่ตอนนั้นอนี่ยใจเป็นไปกับ ความเอิบอิ่มพองแผ่มีอัโทสะคือความไม่โกรธเกิดขึ้นด้วยนะมีขันติคือความอดทนทนต่อความลาบากทนต่อความตรากตรำทนต่อทุกขเวทนาทนต่อความเจ็บใจได้สภาพจิตที่สงบด้วยอ่อนโยนด้วยควรต่อการงานด้วยซื่อตรงเป็นไปกับมรรคากับพระคเณจ้าเป็นต้นด้วยแต่ตอนนั้นไม่ได้มีสัตว์บัญญัติหรือไมไ่มีสัตว์บุคคลเป็นอารมณ์นั้นไม่เรียกว่าเมตตาถ้าจะเรียกเมตตาก็เฉพาะที่กําลังมีสัตว์อันเป็นที่รัก มีปิยมานาสัตว์อันเป็นที่รักมองเห็นจุดเด่นของสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละแล้วก็เกิดความรักปรารถนาดีเอื้ออาทรแบบจับจิตจับใจเกิดขึ้นแล้วก็น้อมปรารถนาที่จะเอาประโยชน์ไปให้เขาเอาสิ่งดีๆไปให้เขาทั้งใจก็ได้ทางกายก็ได้ทางวาจาก็ได้แล้วในขณะนั้นความอาฆาตพยาบาทก็สงบราบคาบลงเลยถ้าสงบไปได้นิดๆหน่นนอยๆปล้วเมตตามีกําลังอ่อนเอ็นถ้าสงบราบคาบเป็นเวลานาน บางทีเป็นชั่วโมงเป็นหลายชั่วโมงเป็นวันๆได้แปลว่าเมตตาของคุณมีพลังแล้วฉะนั้นให้สังเกตอย่างนี้นะจะไม่หงุดหงิดจะไม่โกรธจะไม่อาราาจะไม่พยายามเพราะงี้เมตตาเข้ามานั่งแท่นในใจแล้วในทํานองว่าไอ้โทสะเอ๋ยไอ้อาร่าตเอ๋ยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าอย่ามาเกิดในกระแสชีวิตที่อื่นตอนนี้ข้าพเจ้าชั้นได้ปกคลองเรียบร้อยแล้วเออเป็นไปลักษณะแบบนี้นะนี่เมตตาเกิดขึ้นทีนี้เมตตาเกิดขึ้นได้เพราะอะไร เพราะภาวะที่มองเห็นจุดเด่นของสัตว์ทั้งหลายได้ง่ายการที่จะไปเห็นจุดเด่นของสัตว์ทั้งหลายได้ง่ายมาจากตัวไหนปัญญาไงเห็นไหมปัญญาไปสืบคน้นไปวิจัยแยกแยะมองความดีของสัตว์ทั้งหลายพฤติกรรมดีๆของเขาวาจาที่งามดีๆของเขาสภาพจิตใจเขาที่มีคุณธรรมความดีทั้งหลายอย่างเนี้ยพอไปแค่แกะเห็นมุมจุดเด่นของสัตว์ทั้งหลายปุ๊บก็ส่งต่อมาที่เมตตาโอ้เนี่ยจงรักเขาสิ จงปรารถนาดีกับเขาสิก็เลยเกิดความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนเกิดขึ้นขวัขวายช่วยเหลือเขาได้ไหมช่วยเหลือเขาได้เอาประโยชน์เอาไปให้เขาทางกายกรรมถ้าไปให้ทางกายก็เรียกเมตตากายกรรมถ้าพูดได้เมตตาก็เป็นเมตตาวิจีกรรมคิดอย่างเดียวเป็นเมตตามโนกรรมทีนี้การที่จะออกเป็นภาคปฏิบัติการเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เมตตานั่งแท่ในในใจอย่างเดียวแล้ว อันนี้สำคัญมากนะว่าเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมะให้ยึดโยงเข้าสู่ชีวิตจริงได้โดยมากเมตตาของฝรั่งมันตำหนี่คนไทยอะั้นบอกว่าเมตตาอยู่ในมุ้งมีกัตสัพเพสัตาสาตาัสาตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก ค, คือเมตตาแต่ปากแต่ใจไม่ได้เป็นเมตตาจริงๆเมตตาเป็นพิธีกรรมไม่ว่าจะทำอะไรกันก็แผ่เมตตาแต่เพื่อเพือเวดมลเสร็จก็แผ่เมตตา ให้ทานเสร็จก็สวดเมตตาหรือไปทํากิจกรรมอะไรนอะท่องเมตากันมากแต่เป็นเป็นบุคคลที่ขาดเมตตาที่สุดแมฆในขณะที่ท่องเมตายุ่งกัดยังตบยุงเลยแมลงวันมาก็ตีแมลงวันเป็นต้นนี่ไหมจริงๆแล้วมันได้แค่เมตต า, าเฉพาะรูปแบบและเมตตาบางทีก็อยู่ในใจฝรังวันอยู่ในมุง้งเมตตาในมุง้ง แต่ในชีวิตจริงๆโอ้โหเดี๋ยวก็ฆ่ากันบ้างเดี๋ยวก็เบียดเบียนกันบ้างเดี๋ยวก็ลักทรัพย์กันบ้างเดี๋ยวก็พึดพิษในกางบ้างเดี๋ยวก็ด่ากันบ้างทะเลาะกันบ้างนี่มเมตตาจริงที่ไหนเขาจึงว่าคนไทยเนี่ยพูดคนไทยมากมคนไทยเว้นพวกเราที่กําลังฟังเวพวกเราที่กําลังฟังคนไทยถ้าใครฟังแปลว่าคนนั้นเริ่มมีเมตตา ทีนี้บอกว่าโดยมากเนี่ยเราจะมีเมตตาที่เป็นเมตตาไม่จริงเป็นกลุ่มตันหาเปรมทีนี้ถ้าเมตตาเกิดจริงๆเนี่ยนะเอาเกิดที่ใจนั่งแทนเป็นธรรมะที่ควรมีไว้เป็นหลักใจธรรมะอันประเสริฐเนี่ยโดยเฉพาะเมตตาควรมีไว้เป็นหลักใจเพื่ออะไรพออยู่กากับกระใจพันเน้าพนันนอกับเมตตาบางคนชอบพันเน้าพนนอกโทสะ คือชอบฟังโทสะเชื่อโทสะอ้อยอิงกับโทสะเวลาโทสะต้องการอะไรให้ทําหน้ายัางไงก็ยอมให้ด่าใครก็ยอมให้ไปประทุษร้ายใครก็ยอมนี่ก็เรียกคนที่พเนาพ น, านออยู่กับโทสะแต่ถ้าเมตตามาแล้วเนี่ยเมตตาจะบอกไอ้โทสะเอ๋ยนับตั้งแต่ขนาดนี้เป็นต้นไปเจ้าห้ามมาสู่กระแสชีวิตนี้เมตตาจะบอกแบบนี้นะ เดชโทศาก็บอกไม่ได้ฉันคลองชีวิตนี้มานาะนเนืฉันกํากับชีวิตนี้มานาะนก็สู้กันแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเมตตาเกิดขึ้นเมตตามีไว้เป็นหลักใจเอาไว้กํากับพฤติกรรมงั้นพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาหรือใจที่จะคิดออกไปเนี่ยแปลว่าต่อไปบทบาทของเมตตาไม่ได้อยู่แค่ในใจแล้วถ้าอยู่แค่ในใจอย่างเดียว ตั้งมั่นในใจอย่างเดียวกันจะเกิดความแนบแน่นเป็นคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิหรือเป็นอัปนาสมาธิก็ เ, เรียกว่าสมาธิสิกขาเป็นจิตสิกขาเป็นอยูใ่ในหมวดของอะไรในหมวดของกรรมฐาน40่สิอปนาอปปมัญญาสีหรือพรหมิหารสี่เห็นไหมแต่ทีนี้ถ้าเมตตาอยู่ในใจแล้วเนี่ยผลักออกมาเป็นการกระทําทีนี้จะผลักออกมาเป็นการกระทําจะมีธรรมะชุดไหนเป็นตัวเชื่อมเชื่อมโยงต่อได้เขาเรียกว่าสังขาวัตถุ นู่นแหละถ้าเป็นญาติโยมนะเป็นโยมทั้งหลายนี่พุทธเจ้าจะใช้ให้ให้ตัวสังขารวัตถุเนี่ยธรรมะที่เป็นหลักเชื่อมประสานกลมกลืนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไอตัวสังขารตัวส่งเคราะห์ตัวจับมารวมรวมกันนี่แหละก็หมายความว่าอันนั้นเนี่ยธรรมะเหล่านั้นเป็นตัวเชื่อมประสาน้าเห็นว่าเช่นถ้าเมตตากำกับอยู่ที่ใจแล้วเอเมตตามานั่งแท่นอยู่ในใจหรือกำกับม า, มานั่งหรือมาอยู่เป็นหลักใจแล้วมาคอยกำกับพฤติกรรม ถ้าต้องการอยากจะให้ถ้ามีทานมีวัตถุมีสิ่งของไปให้เขาถ้าให้ด้วยเมตตามีใจรักปรารถนาดีแล้วก็ให้อย่างนี้เขาเรียกว่าเมตตากายกรรมหรืให้ด้วยเมตตาหรือเกิดปรารถนาดีกับเขาอยากต้องการอยากจะไปแนะนําพร่ำสอนอันนี้เขาเรียกก็เปล่งวาจาออกมาเขาเรียกเมตตาวจีกรรมส่วนการคิดในใจขวนขวายอยากเอาประโยชน์ไปให้เขาเขาเรียกมันเมตตามโนกรรม การที่ออกมาได้อย่างนี้เป็นภาคของสังฆวัตถุถ้าจะเป็นพระที่พร ะ, พระเจ้าจะพูดเรื่องสารานียธรรมต้งเห็นไหมเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามนโนกรรมสาธนานิพกีสีราสามั ญ, ญตาทิฏฐิสามั ญ, ญตาชี้เห็นก็คือว่าถ้าเมตตาอโทสะความไม่โกรธมาเป็นธรรมะเป็นหลักใจแล้วแล้วให้กำกับพฤติกรรมถ้าพฤติกรรมที่แสดงออกมาโดยการไม่ฆ่า ไม่รักเป็นต้นแต่ใจเป็นไปกับเมตตาในขนาดนั้นเป็นศีลเห็นไหมเป็นศีลเลยนะเป็นกุศลศีลทัทีเมตตาอยู่ในฐานะเป็นกุศลจิตแล้วแล้วก็เป็นตัวกํากับพฤติกรรมทางกายทางวาจาและอาชีพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามความไม่โกรธในขณะนั้นกําจัดความโกรธได้ด้วยแล้วก็ทําให้งดเว้นจากการฆ่าใจที่เป็นไปกับเมตตาด้วยหรือเป็นไปกับุณาอย่างนั้นก็เรียกเป็นศีล แล้วก็มีการไม่รักมีเจตนาที่ไม่รักด้วยมีมีความจงใจตั้งใจที่ไม่ประพฤติผิดในกาจถ้ากํากับพฤติกรรมทางกายทางวาจาทั้งหลายนี้สามารถเป็นกุศลลศีลได้อย่างนี้เป็นต้นและถ้าเอาสิ่งของไปให้เขาเป็นอะไรเป็นทานกุศลเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาคปฏิบัติการทั้งหลายไม่ว่าจะออกมาทางด้านของสังขาวัตถุ ก, ก็ดี หรือออกมาตั้งด้านสารานิยธรรมที่เป็นสอนสงสอนพระภิกษุคดีเนี่ยอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นตัวกุศลศีลหรือเป็นตัวทานกุศลเป็นศีลกุศลและเป็นนั่งแท่นอยู่ในใจที่เป็นไปกับเมตตาสงบอาคาตเป็นตัวได้เป็นภาวนาเป็นทั้งทานเป็นทั้งศีลเป็นทั้งภาวนานี่ยอมไปแยกเองทีนี้ประเด็นมันอยู่ว่า สังเกตุไหมว่าถ้าเราสามารถทำํำเมตตาเกิดขึ้นได้จริงมีใจรักปรารถนาสามารถทำํำเมตตาเกิดขึ้นได้จริงและมาเป็นธรรมะในหลักใจได้จริงและตั้งมั่นในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งคิดถึงหมู่สัตว์ทั้งหลายปรารถนาสัตว์ทั้งหลายมีอยู่ดีมีสุขเป็นการทําจิตให้เป็นสมาธิตั้งมัน่นอันนั้อยู่ในสมาธิสิกขาทีนี้ถ้าหากว่าในชีวิตจริงๆก็คือมีการควนขวายช่วยเหลือหยิบยื่นประโยชน์ให้คนอื่นเป็นต้นเหล่าเนี้ หรือถ้ากำกับพฤติกรรมก็เป็นศีลถ้ากำกับพฤติกรรมในการเอาไปของไปให้เขาก็เป็นทานกศนุศลนี้แหละเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดว่าเราชาวพุทธในภาคปฏิบัติการเราจะทำได้จริงหรือไม่วัดกันที่ตรงนี้โดยส่วนใหญ่ธรรมะไปอยู่ในกระดาษไปอยู่ในหนังสือหมดแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยพอจะมาปฏิบัติกันจริงๆเราตกมาตาย เมตตาไม่ได้เกิดจริงอันนี้เป็นปัญหาเป็นปัญหาของใครเป็นปัญหากองบุคคลที่ไม่เข้าใจที่จะธรรมะมาเป็นหลักปฏิบัติเราชอบพูดกันว่าปฏิบัติธรรมใช่ไหมปฏิบัติศัพท์นี้มันมาจากบาลีมาจ า, ากคำว่าปฏิปทาหรือเรียกว่าปฏิปัติปฏิบัติหรือปฏิปทาเนี่ยแปลว่าทางเนี่ยแปลว่าทาง มัชชิมาแปลว่ากลางธ้ามัชชิมาปฏิปทาก็เรียกว่าทางสายกลางใช่ไหมทีนี้พอบอกว่านี่มันเป็นทางเดินนี่แหละเป็นทางเท้าที่เดินกันนี่พูดในรู ป, ปรธรรมแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยมาพูดในเรื่องของนามธรรมามาพูดเรื่องการกระแสชีวิตก็ เ, เรียกว่าการดําเนินชีวิตให้เป็นไปตามธรรมก็เรียกการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือเอาธรรมะเอามาใช้ เช่นเอาเมตตามาเกิดไว้ในใจให้ได้ก่อนให้มาเป็นหลักใจก่อนให้เกิดในใจให้ใจเป็นไปกับเมตตาที่จริงๆก่อนในขณะที่ใจเป็นไปกับเมตตาตอนนั้นน่ยมีความรักความปรารถนาดีเกิดขึ้นนั่นแหละเขาเรียกปฏิบัติธรรมทางใจเขาเรียกมโนกรรมถ้าพูดออกมาด้วยใจที่เป็นไปกับเมตตาในการปฏิบัติธรรมออกมาทางวาจาแล้เขาเรียกเมตตาวจีกรรม ถ้ากระทำออกมาด้วยเมตตาในการหยิบยื่นสิ่งของให้เขาคนขวา้าช่วยเหลือเขาอย่างนี้ก็เรียกเมตตากายกรรมคิดเป็นเมตตามนโนกรรมพูดออกมาเมตตาวจีกรรมทําออกมาเป็นเมตตากายกรรมถ้ากระทาออกมาในลักษณะอย่างนี้แล้วมีเมตตาเป็นตัวกํากับใจไว้คอยกํากับพฤติกรรมได้อย่างนี้ก็เรียกว่าประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเอาธรรมะไปใช้ให้เกิดขึ้นได้จริงเราก็เลยเรียกกันว่าปฏิบัติธรรม แต่ทุกวันนี้ปฏิบัติธรรมมันจํากัดมากเลยเช่นไปอยู่วัดและการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องของพระโยมไม่เกี่ยวมันเลยไปเป็นเรื่องเลยทีนี้นี้ปฏิบัติธรรมเป็นกระจุกกระจุกเป็นช่วงเป็นช่วงหรือเป็นแค่ระยะเวลาเจดวันห้าวันก็เลยเป็นการปฏิบัติธรรมและที่หนักไปกว่า น, นั้นก็คือถ้าอยู่บ้านปฏิบัติธรรมไม่ได้เพราะไม่ใช่ที่ปฏิบัติธรรมต้องอยู่วัดเท่านั้นก็เลยจํากัดเลยตีนี้ยไปไปมายมเลยมีที่ปฏิบัติธรรมแคบมาก มีเฉพาะวัดโอ้โ oh, หถ้าหากว่าวัดในประเทศไทยสามห0ืนกว่าวัดเป็นที่ปฏิบัติธรรมประชากรเจ็ดสิบล้านไม่พอที่ปฏิบัติธรรมไม่พอหรอกคุณต้องไปขยายพื้นที่เนื้อที่ไม่พอใช่ไหมล่ะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือเอาธรรมะมาให้เกิดขึ้นในกระแสะชีวิตได้จริงเช่นจะทำเมตตาเกิดขึ้นได้จริงๆได้เนี่ย ทรืจะทำกรุณาให้เกิดขึ้นทํามุทิตายให้เกิดขึ้นทำอุเบกขาให้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยให้เกิดขึ้นได้จริงถ้าเกิดขึ้นไม่ได้จริงเขาไม่เรียกว่าปฏิบัติธรรมไม่เรียกว่าทีนี้มันจะมีว่าการการที่จะให้ธรรมะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีความเข้าใจเนียนะอย่างเบอร์สกุลว่พูดแล้วว่าทําเมตถ้าหากมีชันทะมีใจรักที่จะทําให้เมตตาเกิดขึ้น เพียงที่จะทําให้เมตตาเกิดขึ้นจิตจดจ่อในการที่ทำเมตตาเกิดขึ้นมีปัญญาสอบสวนตรวจตราวิจัยแยกแยะว่าจะทํายังไงเนาะจะทําให้เมตตาเกิดขึ้นอย่างติดต่อและต่อเนื่องเป็นไปได้นานทั้งหลายนั่นคือความชานฉลาดแล้วเมตตาเกิดขึ้นในใจที่เป็นสมาธิศิกขาเลยตั้งมั่นที่เป็นอุปจาระเป็นอัปปนาพิเตอร์เหล่านี้เป็นชานาจิตได้เป็นมากตาจิตได้หรือตลอดถึงเป็นอุปจาระเป็นกุศลที่มีพลังได้ทีนี้ถ้าหากภาคปฏิบัติการออกมา ที่เราจะเป็นให้เป็นเมตตาในการกระทําที่เป็นสังขาวัตถุมารับช่วงเนี่ยไอ้ น, นี่ก็ต้องเป็นความเข้าใจนะถึงจะสามารถให้เกิดขึ้นได้จริงๆอันนี้เมตตาใช้ในสถานการณ์ไหนใช้ในสถานการณ์ที่ปกติมีอะไรเป็นมีสัตว์ที่เป็นที่รักเป็นอารมณ์เข้าใจไหมล่ะนี่นี่จบเลยนะเมตตาเอาต่อไปขับเน้นที่กรุณาการุณาก็แปลว่า จิตหวั่นไหวเมื่อเห็นสัตว์ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนทนดูอยู่ไม่ได้นะภาวะของจิตของคนดีทั้งหลายมีภาวะจิตที่หวั่นไหวนิ่งดูได้ไว้ได้ใช่แต่เราเรียกกันว่าสงสารภาษาไทยเนี่ยสงสารเนี่ยมาจากภาษาบาลีว่าสังสาระันแปลว่าการเกิดขึ้นตีติดต่อกันของขันยัตนาธาตุสัจจะโดยไม่ขาดสายเรียกว่าสังสารวัต คือกระแสชีวิตที่เกิดขึ้นสืบต่อกันไม่ขาดสายเนี่ยเรียกสงสารเรียกสังสารแต่เราแปลว่าโอ้สงสารท่านคนนี้เลยเกินก็เลยมาเอาความหมายว่าการุณาแปลว่าสงสารอา้ามันพูดกันจนจนจนจ น, จนเป็นความหมายจนติดปากกันไปแล้วสรุปก็คือการุณาเนี่ยแปลว่ามีอะไรเป็นอารมณ์มีสัตว์ที่กำลังประสบความทุกข์เป็นอารมณ์เป็นสิ่งให้คิดถึง ภาษาพาก็รกทุกขิจสัตว์บัญญัติหรือสัตว์บัญญัติสัตว์ที่กำลังประสบความทุกขประสบปัญหาชีวิตอันนี้แปลว่าใช้ในสถานการณ์ที่ผิดปกติขาลงเช่นพ่อกําลังประสบปัญหาชีวิตพ่อเจ็บป่วยแม่เจ็บป่วยลูกเจ็บป่วยสามีภรรยาเจ็บป่วยเพื่อนเจ็บป่วยหรือในช่วงสถานการณ์เป็นไข้หวัดอู้หันโอ้หนี่น่ากรุณามากเลย ไปไหนกันไม่ค่อยได้กลัวกันเป็นแถวเป็นแนวเลยทอนนี้เ อ, อแมสหน้ากากปิดจมูกขาดตลาดไปที่ไหนก็โถต้องล้างมือต้องอะไรกันออกไปข้างนอกที่ไหนนี่มองกันนี่เริ่มหวัดระแวงนี่วัดกันเลยจะรักกันแท้หรือไม่แท้ก็ตรงนี้ยอมถ้าหากว่าลูกเป็นไข้ ว, วัดเนี่ยสายพันธุ์ใหม่กาไปก่อนลูกไม่รักลู ก, ลกเลยเลยไม่กลาเลยยังไม่นี่ย อยากยันอยู่ห่างๆจริงๆก็คือคว็นความชาญฉลาดในการปฏิบัตินะแต่ตรงตรงนี้ต้องการชี้เหน็นว่าใช้ในสถานการณ์ที่ผิดปกติข้าลงกรุณาเนี่ยภาวะที่เกิดที่ว่าจิตหวันไหวทนนิ่งดูดายไม่ได้ในขณะที่ว่าศาสตร์ทั้งหลายประสบปัญหาชีวิตมีกรุณาเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ตัวกรุณาเนี่ย เป็นไปโดยการที่จะปลดเปลื้องทุกของสัตว์ทั้งหลายของคนและสัตว์ทั้งหลายหน้าที่ของเขาคือไม่นิ่งดูดายทนนิ่งอยู่ไม่ได้ต่อทุกของคนและสัตว์ทั้งหลายผลปรากฏของกรุณาเป็นยังไงไม่เบียดเบียนไม่คิดเบียดเบียนและไม่เบียดเบียนเพราะว่าเขาเรียกอวิหิงสาวิหิงส า, า, ว, งสาวิหิงสานี่แปลว่าคิดเบียดเบียนนั้นตัวกรุณาเนี่ยเขาเป็นปฏิปักษ์ ตรงข้ามกับความคิดเบียดเบียนถามว่าความคิดเบียดเบียนเนี่ยเป็นกลุ่มจิตประเภทไหนราคาโทสะหรือโมหะกลุ่มตะกูลโทสะไอ้คิดเบียดเบียนเขาเนี่ยคิดเบียดเบียนเขาหรือจักไปเบียดเบียนเขาหรือต้องการเบียดเบียนเขาเป็นต้นเนี่ยถ้ากรุณาเกิดขึ้นมันจะทําลายไอ้ความอวิหิงสาไอ้ความคิดเบียดเบียนอาวิหิงสาคือคิดไม่เบียดเบียนก็เลยเกิดขึ้นถามว่ากรุณาเกิดขึ้นเนี่ย ผลปรากฏก็คือว่าทําลายความคิดเบียดเบียนให้อันตรธานไปสภาพจิตที่คิดไม่เบียดเบียนก็แข็งแรงก็ตั้งมั่นขึ้นในใจทําอย่างไรที่จะทําให้ตัวกรุณาเกิดขึ้นก็ต้องใช้ปัญญาไปเห็นอะไรเห็นภาวะที่ไร้ที่พึ่งสภาพที่หน้าอนาถของคนและสัตว์ทั้งหลายที่ถูกความทุกข์ครอบงาําเช่นตอนเนี้หมู่ประชาสัตว์ทั้งหลายหรือประชาชนทั้งหลายเนี่ยถูกความทุกข์คือโรคภัยทั้งหลายเบียดเบียน ถูกหมอกควันเนี่ยอากาศที่เป็นพิษเบียดเบียนถูกภัยทางด้านเศรษฐกิจเบียดเบียนหรือเกิดความแตกแยกทั้งหลายเหล่านี้อุ้ยกรุณาเหลือเกินนะว่างนั้นเดี๋ยวมีความการุณาหมู่สัตว์ทั้งหลายที่ถูกภัยธรรมชาติบ้างภัยจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองบ้างภัยจากโรคภัยไข้เจ็บบ้างหรือภัยจากภาวะเศรษฐกิจมันถดถอยตกต่ำอย่างขนาดหนักอย่างทุกวันเนี่ย โอ้ยพอนึกเงาแล้วมันรู้สึกว่าการุณาหมู่สัตว์เหลือเกินที่เป็นต้นนั้นนะเนี่ยไอ้ปัญญาที่เข้าไปคิดอย่างนี้ได้แต่ประเด็นอ่อนกลับไปนิดหนึ่งอาจาจะพยายามจะไม่เจาะลงลึกในรายละเอียดเท่าไหรพูดพอให้เข้าใจง่ายๆจะพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เพราะถ้าใช้สัพท์ใช้บาลีเยอะๆขึ้นมาเนี่ยไปๆมาเดี๋ยวคนก็ถอยหนีไม่อยากจะฟังเออเนี้ถามว่าฉันทะใช่ไหมเมื่อกี้พูดเรื่องฉันทะ มีใจรักในการที่จะทำให้กรุณาเกิดขึ้นถามว่าถ้ากรุณาเกิดขึ้นและทันท่วงต่อสถานการณ์ในสถานการณ์ที่ผิดปกติขาลงเนี่ยเราต้องผลักให้เราต้องมีใจรักที่จะทำให้กรุณาเกิดขึ้นในใจให้ได้ทำไมต้องทำให้กรุณาเกิดขึ้นในใจให้ได้เพราะถ้ากรุณาเกิดขึ้นในใจแล้วเนี่ยใจเราจะปลอดโปร่งโล่งเบาใจจะเป็นไปกับใจจะเป็นไปกับกุศล แปลว่าเราแก้ไขเราปฏิบัติธรรมะถูกต้องตามสถานการณ์ตามตามบุคคลแล้วก็ถูกต้องในขณะที่จะใช้ในแต่ละกรณีนั้นนั้ น, น, นเขาเรียกว่าใช้ธรรมะเป็นเปลี่ยนหน้าเป็นบางคนเนี่ยเดินดตแต่เมตตาแต่เพืธอเพื่นี่นเขาเรียกว่ามึนคือไม่เข้าใจสารการควรกรุณาก็ต้องเปลี่ยนจากโหมดเมตตามาใช้กรุณาถ้าสาการที่จะใช้มุทิตาก็ต้องใช้มุทิตา สถานการณ์เนี่ยใช้อเวขาก็ต้องใช้อเวขาต้องสลับการใช้ธรรมะให้ถูกต้องตรงตามสถานการณ์ตามบุคคลแต่รักรณีด้วยนะถ้าอย่างนั้นเขาเรียกว่าปฏิบัติไม่เป็นปฏิบัติทำผิดพลาดเรียนธรรมะแทบตายยังมึนอยู่เลยนี่ใช้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะห้ามมึนเด็ดขาดนะตรงนี้นี่มาวาไม่ได้นะคือชี้แจงไม่ได้ตำหนิ เรียนธรรมะจะต้องใช้มันเหมือนอย่างนี้โยมว่าในสถานการณ์ที่จะต้องลงน้ำเนี่ยเขาไม่ใช้รถเขาใช้เรือถ้าวิ่งตามบกตามแผ่นดินเนี่ยเขาใช้รถถ้าขึ้นเขาก็ใช้รถอีกประเภทหนึ่งที่เป็นลมเป็นโคลนเรั่งหลายก็ใช้รถอีกประเภทหนึ่งจะไปทางฟ้าอากาศก็ต้องใช้เครื่องบินเห็นไหม ไม่ใช่ว่าใช้แต่รถแต่พฤติต่ือและรถอย่างเดียวเท่านั้นลุยน้ําก็จะลงน้ําก็จะใช้รถขึ้นเขาไปบรรยกาศนี่ก็เรื่องมึนนั่นไม่ประสบความสําเร็จธรรมะเนี่ยที่พระพุทธเจ้าบอกไว้เนี่ยใช้ถูกต้องตามสถานการณ์ตามบุคคลสถานที่นั่นต้องชัดเขาจึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมอย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าปฏิบัติธรรมเมื่อไรเมื่อไรก็เมตตาเมตตาอย่างเนี้ย สถานการณ์เหตุการณ์เปลี่ยนแล้วก็จะเมตตาเมตตาเถิดเพือเช่นในภาวะวิกฤตอย่างเงี้ยมันต้องเดินกรุณาจิตต้องใจรักปรารถนาเร <c oughs> าจะทให้กรุณาจิตเกิดขึ้น <c oughs> แล้วถามว่ากรุณาไม่เกิดทํำยังไงแต่ <c oughs> พูดแล้วหิวน้ํา <c oughs> ยอมกรุณาออกมาเนี่ยเอามากรุณายอมยอมกรุณามาไม่นีย่ยาา ห, หิวน้า อาแต่นี้นะทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าใจรักที่มีชันทะปรารถนาให้กรุณาเกิดขึ้นเพราะเห็นว่าการุณามีประโยชน์แก่กระแสชีวิตมากเมื่อประชุมกรุณาให้เกิดขึ้นในใจได้แล้วกรุณาก็จะแผ่ออกไปทางใจแผ่กไปทางพักพฤติกรรมทางกายทางวาจาทั้งหลายให้ออกไปไปค้นขว้าไปช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่เป็นประโยชน์แก่ตนเองเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์แก่มูสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นด้วยฉะนั้นเราต้องรักแล้วก็ต้องผลักดันให้การุณาเกิดขึ้นในใจให้ได้แล้วให้เสถียรให้มั่นคงให้ตั้งมั่นให้ได้ก็เลยภาคเพียงแกล้ากล้าอาจหาในการพยุงผลักดันให้การุณาเกิดขึ้นนิวิริยะแล้วต้องอุดทิศกายอุทิศใจที่จะต้องทาให้กรุณาเกิดให้ได้ถ้าการุณาเกิดไม่ได้ ทั้งวิบัติแน่กระแสะชีวิตนี้ประวัติธรรมะไม่ถูกต้องกับสถานที่ต่อบุคคลต่อต่อสรารการนี้แปลว่าเรายังไม่เข้าถึงธรรมะของพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าเราจกเสียหายมาก <c oughs> นี่ก็เุทิศิกายอุทิสใจทุ่มเทเต็มที่เลยก็เกิตแล้วก็มีปัญญาสอบสวนตรวจตราสอดส่องไม่นิ่งดูดว่างั้นเถอะ เห็นภาวะที่ไร้ที่พึ่งสภาพที่น่าอานาถของสัตว์ทั้งหลายที่ถูกความทุกข์ครอบงำอยู่เนี่ยเรามองไปเห็นคนที่สัตว์ทั้งหลายประสบปัญหาประสบความทุกข์พอปัญญาไปเจาะเห็นอย่างนี้ปุ๊บโอ้โหกรุณาโลดแล่นมาแล้วปัญญาสําคัญมากนะถ้าไม่มีปัญญาคอยตรวจตาไปเสร็จปุ๊บพอไปเห็นสัตว์ไร้ที่พึ่งน่าอานาถประสบปัญหาชีวิตเครียดกินเลยทรมานนัดกิน อันนี้บ่งบอกว่าการุณาเทียมเกิดนะไม่ใช่กรุณาแท้แล้วแบบเนี้ยเพราะว่าไปโทมานัทเนี่ยถ้าการุณาแท้มเป็นโสมานัทเนี่ยกับอุเบกขาต้องเป็นมหากรุชนี่ไหมถ้าโทมนัทนี่เป็นโทสากินแล้วถ้าโทสากินแปลว่าไม่ฉลาดไม่ฉลาดเดินกรุณาผิดที่เช่นโอ้ยรักพ่อมากพ่อป่วยขวนขวายช่วยพ่อเต็มที่เต็มความสามารถเต็มศักยภาพพอช่วยไปช่วยไป พ่อก็ต้องเป็นไปตามสภาพตามความเป็นจริงพ่อก็เลยตายร้องไห้ทุกทรมานฟูมไฟทอมานัทกินนะนี่ไม่ใช่กรุณาหรือว่าในขณะที่กําลังช่วยอยู่นั้นนะ่ะอาการของพ่อก็แย่ลงแย่ล ง, ลงเครียดกินเครียดกินอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่กรุณาแล้วเป็นโทมนัทนี่คือการุณาเทียมวิธีแก้ปัญญาขาดสติขาด งั้นต้องใช้ปัญญาสอบสวนตรวจตราระวังใจกาจัดโทมานัดว่าเราได้ขนขวายช่วยเหลือพ่อเต็มที่แล้วเต็มศักยภาพเต็มความสามารถที่ลูกพึงกระทำต่อพ่อเป็นต้นแล้วแต่พ่อก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นไปตามกรรมของพ่อฉะนั้นวาละที่ช่วยเหลือไม่ได้อาการของพ่อก็แย่ลงแย่ลงปรับโหมดเลยจากการุณาเป็นอุเบกขาวางใจเป็นกลางสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนนิ่ง วางเฉยไม่ใช่เฉยเมยนะเฉยแล้วก็มองดูอยู่โดยการไปพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นกุศนพ่อทําเหตุปัจจัยมาได้เพียงแค่นี้แน่นอนแล้วเราก็ขวนขวายช่วยเต็มที่เอาและเราจะทําประโยชน์ให้เต็มที่แล้ววางใจเป็นกลางบอกพ่อนะอหนูขนขวายเต็มที่แล้วช่วยพ่อได้แค่นี้จริงๆพ่อจงวางใจเป็นกลางแล้วก็ให้ตั้งมัน่นในกุศลความดีนะพ่อนะแล้วก็วางใจเป็นกลางเนี่ยวางกิตเป็นกลางได้ ไม่ทําให้เสียธรรมะคือรักคือกระแสชีวิตก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเป็นธรรมดาของชีวิตมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต่อไปเงี้ย น, น, นั้นคนว่าอีกทีแต่นี้ย้อนกลับมาดูกรุณายอมพอเห็นชัดนียังว่าใช้กรุณาเป็นกรุณาก็กําจัดความคิดเบียดเบียนถ้าหากว่าความคิดเบียดเบียนออกไปแล้วถ้าเราควรขวายช่วยเหลือไม่ได้ถ้าไม่ระวัง ทรมนัะจะเกิดก็กลายเป็นกะรุณาเทียมอย่างนี้เป็นต้นทีนี้กรุณาเวลาเกิดขึ้นในใจปุ๊บแล้วมากํากับที่เป็นมาเป็นหลักใจคอยกํากับพฤติกรรมถ้าเจอคนประสบปัญหาชีวิตหรือตกทุกข์ได้ยากเราเอาของไปให้เขาแต่ใจที่เป็นไปกรุณาในขณะที่ไปหยิบยื่นให้เขาอย่างนี้เขาเรียกว่ากรุณ า, ายกรรมนะหรือเป็นการให้ด้วยกรุณา หรือถ้าหากว่าการุณาที่เกิดขึ้นเนี่ยมากำกับพฤติกรรมของเราทําให้เราไม่คิดไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนเขาเป็นต้นทําให้กระแสเขาชีว้ว่าเราสะอาดบริสุทธิ์กรุณาอย่างนี้เป็นกรุณากายกรรมก็จริงแต่เป็นศีลเนี่ยกรุณามาอยู่ในฐานะเป็นศีลทันทีเลยนะมากำกับพฤติกรรมทําให้ไม่เบียดเบียนเขาไม่ฆ่าเขาสิ่งนี่เป็นต้นตัวกุศลศีลน่าเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมว่าตัวอโทไอตัวกรุณาจิตเนี่ย ตัวกรุณาจิตตัวเนี้กรุณาเจตสิกเนี่ยเป็นศีลได้ถ้ามากำกับพฤติกรรมเพื่อจะไม่ฆ่าเขาไม่เบียดเบียนเขาไม่ทำลายชีวิตเขาเป็นต้นเหล่านี้ถ้าไปให้มันเป็นทานกุศลถ้ากำกับพฤติกรรมไม่ให้เบียดเบียนเขาอยู่ในฐานะเป็นศีลเนี่ยเป็นต้นเนี่ยนะั้ตัวศีลจรงิงๆเนะี่ยมันมีมันไม่ใช่มีเพียงแค่เจตนาอย่างเดีวยวเจตนาอาจจะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่ในรายละเอียดถ้าเจาะเข้าไปก็จะเห็นรายละเอียดอีกเยอะเป็นกรุณากายกรรมถ้าพูดให้กำลังใจเขา โอ้โห เ, เขากำลังสอบปัญหาชีวิตประสบความทุกข์ความเดือดร้อนเนี่ยแล้วก็พูดด้วยใจที่มีกรุณาเป็นตัวกํากับผักดันการพูดให้เกิดขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการพูดด้วยกรุณาแล้วไปกระทําประโยชน์ขวนขวายเอาตนเองเข้าไปร่วมขวนขวายใ น, าในการกระทำกับเขาประพฤติประโยชน์่วมเขานี่เขาเรียกประพฤติประโยชน์ด้วยกรุณาๆๆหเห็นไหมเนี่ยมันออกมาในส่วนของเป็นสังขาวัตถุมันเชื่อมโยงต่อเมตตาที่เป็นพรหมหารที่อยู่ในใจ เลยการุณาที่เป็นพรหมิหารที่อยู่ในใจอย่างนี้เป็นต้นอิยอมเริ่มเหม็นนี้ยังว่าทำการุณาให้เกิดขึ้นอย่างไรในภาคปฏิบัติการประการต่อมาก็คือมุทิตามุทิตาใช้ในสถานการณ์ที่คนอื่นมีสุขประสบความสำเร็จแล้วก็เขาก้าวหน้าในชีวิตใช้ในสถานการณ์นั้นนะแปลว่าการุณาและมุทิตาเนี่ยใช้ในสถานการณ์ที่ผิดปกติ แต่กรุณาเนี่ยใช้ในสถานการณ์ที่ผิดปกติขาลงส่วนมุทิตาใช้ในสถานการณ์ที่ผิดปกติขาขึ้นใช้ในผิดปกติขาขึ้นฉะนั้นไอตัวกรุณาเนี่ยขอไปมุทิตาเนี่ยเขาจิงว่าลักษณะของมุทิตาก็เลยพลอยยินดีหรือบอกว่ายินดีด้วยไทยภาษาของโยมที่ใช้กันบ่อยเวลาใครไปทำบุญโยมบอกเขาไงอนุโมทนาด้วย ชื่นใจด้วยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเรียกเรียกว่าลักษณะของมุทิตาจะเป็นอย่างนี้ยินดีทีนี้ยินดีเรื่องนุโมธนาถ้าเกิดมุทิตาเกิดขึ้นเนี่ยมุทิตาเป็นปฏิปักษ์ต่อริษยาพอมุทิตาเกิดขึ้นในใจปุ๊บเขาจะทำลายความริษยาริษยาแปลว่าอะไรเห็นเขาประสบความสำเร็จเห็นเขาทำดีเห็นเขาได้ดีแล้วทนไม่ได้ นทนไม่ไหวเลยรู้สึกว่ามันฤาษสยามันออกมาทีนี้ให้สังเกตตัวนะไอ้ตัวมุทิตาเนี่ยโดยมากเน่เราทำกันไม่ค่อยได้สังคมไทยไปไม่ค่อยถึงมุทิตาถ้าลูกเราประสบความสำเร็จเรียนประสบความสำเร็จทำงานประสบความสำเร็จหรือว่าได้ดิบไ ด, ด้ดีแล้วรับการยกย่องได้รับเกียรติยศชื่อเสียงยินดีด้วย เหตที่ยินดีพ่อเราพออะไรพาะเราพอยได้หน้าได้ตาไปด้วยไอยยางงี้มันกลายเป็นอะไรเนี่ยกลายเป็นอกุศลไปอีกเอกภาวะพอยินดีอย่างนี้เพราะมันเป็นความอรตินี่แปลว่าอะไรเป็นความรื่นเริงยินดีเพราะว่าเรามีส่วนได้ดีด้วยฉะนั้นเอกตัวมุทิตาเนี่ยมันกำจัด ลิศยาใช้คำว่าเป็นสภาวธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อลิษยาผลปรากฏก็คือขจัดความลิษยาความไม่ยินดีหรือความทนไม่ได้ต่อความสุขความสําเร็จของผู้อื่นเนี่ยอันนี้เป็นผลปรากฏฉะนั้นถ้าหากตัวมุทิตาเกิดขึ้นจะเป็นแบบนี้ทีนี้ประเด็นมันอยู่ว่าอะไรรู้ไหมพอมุทิตาที่บอกว่าถ้าคนที่เราเกลียดคนที่เราไม่ชอบใจประสบความสําเร็จเราไม่สามารถเจริญมุทิตาได้จริง โอ้โหเรารู้สึกว่าแล้วกลับไปเฉยอย่าไปสนใจมันเลยไม่อยากจะยุ่งด้วยอย่างนี้ก็แปลว่าใช้ปฏิบัติธรรมผิดเพราะสถานการณ์ที่เราได้รับรู้เราเห็นเป็นสถานการณ์ที่คนเขากำลังประสบความสำเร็จในชีวิตเขากำลังได้ดีมีสุขอยู่มุทิตาเนี่ยมีสุขขิตสัต สัตว์ที่กำลังประสบความสุขเป็นอารมณ์โดยไม่เลือกหน้าว่าสัตว์ผู้นั้นจะเป็นไขใช่มจะเป็นที่เราคนที่เราเคารพคนที่เรารักคนที่เป็นกลางกลงหรือเป็นคนที่คู่เป็นคู่เวรถ้าเขาประสบความสาเร็จแล้วคนที่เดินมุติตาเป็นต้องสามารถยินดีกับคนได้ทุกจำพวกไม่ใช่ว่าเฮ้ยคนนี้เราเคารพประสบความสาเร็จเรายินดีคนนี้เรารักประสบความสาเร็จเรายินดีคนนี้เราเฉย อย่าไปสนใจมันเลยปล่อยทิ้งไปเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมผิดพลาดแล้วในสถานการณ์ที่เรารู้เห็นถ้าไม่รู้เห็นไม่เป็นไรเนะี่ยนี่บางทีไปอ่านข่าวเลยไปอ่านข่าวโอ้ยคนคนนี้เป็นคนที่เราเฉยๆกับเขาเนี่ยแต่เขาประสบความสําเร็จแล้วก็เฉยมึนเนี่ยตีมึนเนี่ยนะอันนี้เขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมาผิดเข้าใจยังยอมโอกว่าผิดกันเป็นลําเป็นสารผิดโดวยเฉพาะคนที่เราเกลียด ไอ้นี่เราเกลียดมากเลยเกลียดตั้งแต่หัวจดเท้ายอมเคยเกลียดใครขนาดนั้นไม่เล่าเกลียดจริงๆเห็นเส้นผมยังเกลียดเลยเห็นเล็บก็เกลียดเห็นขนก็เกลียดผินฟันก็เกลียดเห็นตาก็เกลียดโอ้ยเกลียดไปหมดไม่เห็นเลยได้ยินชื่อก็เกลียดไม่เห็นเลยนะแต่เดินผ่านบ้านยังเกลียดก็เห็นผ้าตากไว้ก็เกลียดโอ้เกลียดจริงๆเคยขนาดนั้นไหมอันนี้เป็นเครื่องวัดมาก ถ้าใครสามารถมุทิตาพอยินดีกับคนที่เราเกลียดคนที่เป็นคู่เวียนถ้าเขาประสบความสำเร็จได้แปลว่าคุณเจ๋งมากแปลว่าคุณปฏิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมะได้สุดยอดจริงๆใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นไอ้ตัวมุทิตาเนี่ยต้องสามารถขจัดริษยาผลปรากฏก็คือลิสยาอันตรธานไปแล้วอะไรเป็นเหตุใก้ เห็นความสำเร็จของสัตว์ทั้งหลายมีปัญญาที่ไปคิดอ่านเห็นความสําเร็จของสัตว์ทั้งหลายปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นอาหารหล่อเลี้ยงทําให้มุทิตาเกิดฉะนั้นปัญญาเนี่ยจะช่วยวิจัยแยกแยะแล้วก็จะจัดแจงทําให้ไปเห็นความสําเร็จของสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ตื่นเต้นโมทนากับเขายินดีกับเขาในบุญกุศลของเขาอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นอย่างนี้นะฉะนั้นการที่เรามีฉันทะเป็นต้นเะไรเนี่ยใจรัก ว่ามุติตาสําคัญจริงๆถ้าเราปรารถนาว่าถ้าเรายังไม่สามารถเจริญหรือเดินมิทุกมุติตาให้มุติตาเกิดขึ้นในใจได้เราชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมบกพร่องเราเป็นผู้ไม่สามารถเข้าถึงพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนาให้เราประพฤติปฏิบัติเราจะจัดว่าเรียกเป็นผู้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ถ้าเราใช้ธรรมะไม่ครบไม่ถูกต้องตามสถานการณ์นั้นๆ ในกรณีนั้นนั้นหรือเดินพรหมวิหารในชีวิตจริงไม่เป็นหรือเอาพรหมวิหารมาเป็นธรรมะเป็นหลักใจไม่ได้ธรรมะตัวอื่นพังไม่ต้องพูดถึงเรื่องการฟุ้นทุก์แค่ในชีวิตจริงคุณก็ล้มละลายในตั้งการปฏิบัติธรรมก็เลยเป็นคนล้มละลายนะล้มล้มล้มละลายในอริยธรรมล้มละลายในในในการปฏิบัติธรรมก็เป็นแวเป็นคนล้มละลายอ่ะเป็นคนล้มละลายหนักไหมเนี่ย อาทีนี้นั้นฉันท้ามีใจรักว่ามุทิตาดีจริงๆเกิดแล้วก็โอ้โหต้องใช้ความเพียนมากนะเช่นจะผลักดันให้ไปพอยินดีกับศัตรูพอยินดีคนเฉยๆเนี่ยหูยากจริงๆต้องเพียนผลักดันต้องมีความกล้าหาญต้องกล้าเนี่ยเช่นยมนึกดว่าถ้าคนที่เราเกลียดมากข้างๆบ้านโอ้ยเขาประสบความสาเร็จในชีวิตเลยเรากล้าเดินไปไหม จับมือ ข, ขอยินดีด้วยผโอ้โหสุดยอดขาเยินดีถ้าทําได้โอ้ยสุดยอดเลยนะถ้ายังไม่กล้าขนาดไปแสดงควะตัวอย่างนั้นก็ใช้ใจก่อนน้อมยินดีน้อมยินดีน้อมยิน ด, นอนดีอันนี้แปลว่าประสบความสําเร็จทางใจแต่ทางวาจานี่ยล้มเหลวถ้าสามารถผักทางวาจาออกมาได้อู้สุดยอดเลยขอสดสอดแสดงความยินดีด้วยนะครับ แปลว่าทางทางวาจาได้แล้วแต่ทางกายยังล้มเหลว อ, อยู่เฮ้ยขวนขวายได้ไหมแทนที่จะขวนขวายได้ก็ขนต้องขวนขวายลักษณะนี้แปลว่าคุณประสบความสําเร็จแล้วทางกายก็ได้ทางวาจาก็ได้ทางใจก็ได้แปลว่าคุณเนี่ยสามารถอุทิศกายอุทิศใจที่จะผลักให้มุติตาเกิดได้จริงๆและมีความชานฉลาดที่ทําให้มุติตานั้นโปกมิดมุติตาให้ให้ให้เป็นหน่อเนื้อมุติตาเกิดขึ้นในกระแสะชีวิตและเจริญง อ, อกงามลดน้ำพอนดินให้เจริญง อ, อกงาม เติบโตขึ้นได้จริงในชีวิตแม้จะทำได้อย่างนี้สุดยอดเลยมองเห็ น, นยังให้ตัวมุทิตาเนี่ยคุณสมบัติของมุทิตาคือสามารถสงบก็คือสงบระ ง, งับหรือขจัดความริษยาได้ถ้าความวิบัติของมุทิตาก็คือเกิดความสนุกสนานเกินเลย <c oughs> วิบัติเลยพอยินดีเลยกลายเป็นสนุกสนานใช่ไหมเช่นโอ้โหยินดีประสบความสําเร็จ จัดงานเลื่อนเลงซะเลยมุทิตาเขาจะสังเกตเป็นงานมุทิตาเอาดนตรีมากกินเลี้ยงกันสนุกสนานงานอะไรมุทิตาสการะมุทิตาจิตโอ้โหแต่นี่เอาภาพยนตร์มาลิเกมาโอ้โหยเล่นกันใหญ่เลยสนุกสนานเลื่อนเลงอันนี้เป็นความวิบัติเลยเนี่ยมุทิตาวิบัติเสียหายเลยเคยเป็นไหมล่ะเนี่ยเรื่องมุทิตา อา้าวท่านอาจารย์เรื่องนี้ได้ยศถาบรรดาศักดิ์ึ้นมาโว้ฉลองเลยงานบุตรตาสกาละโหดขึ้นกั น, นขึ้นป้ายเลยตอนี้อา้าวมีอะไรมีภาพยนตร์ตอนนี้นาเข้ามีลิกเกเออ้าวเอาไปไปแล้วไปวิบัติเลยทอนี้อะไรวิบัติคุณธรรมคือเมตตาวิบัติล้มละลายล้มละลายในอริยทรัพย์นี่คนคนนี้ล้มละลายบุตรตาล้มละลาย บางคนก็เมตตาล้มละลายบางคนก็กรุณาล้มละลายบางคนก็มุทิตาล้มละลายบางคนก็อุเบกขาล้มละลายบางคนล้มละลายทั้งสี่ตัว <c oughs> เออก็าเรียกล้มละลายแต่ล้มละลายทํ า, ลลาทไงต่อทําไงต่อก็ต้องมาเพียรพยายามที่จะผลักดันทําให้อริยทรัพย์เดือนนี้เกิดขึ้นมาฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนไม่ยากจน เราจะต้องเป็นคนไม่ล้มละลายในาศาสนาของพระพุทเจ้าใช่ไหมฉะั้นเราจะต้องทำเมตตากรุณามุทธิตายให้เกิดขึ้นได้อันนี้นี่ได้แล้วนะเออทีนี้ย้อนนิดหนึ่งเมตตาอะไรเป็นสมบัติของเมตตาสามารถสงบระงับความแค้นความข้าอาฆาตพยาบาท ความไม่พอใจให้สงบราบคาบได้อะไรเป็นวิบัติของเมตตาตันหาไงความรักแบบตันหาเนี่ยทำให้ทำให้เมตตาวิบัติอะไรเป็นสมบัติหรือเป็นความสมบูรณ์ของกรุณาสงบประงับความคิดเบียดเบียนวิหิงสาคิดเบียดเบียนได้ ใช่ถ้าสงบระ ง, งับความคิดเบียดเบียนได้ทำกรุวนะให้เกิดขึ้นนั่งแท่นในใจได้อย่างแข็งแรงนี่เป็นคุณสมบัติอะไรเป็นวิบัติเป็นความเสียหายโทมนัตคือความเศร้าโศกอะไรเป็นคุณสมบัติหรือเป็นสมบัติเป็นความเจริญงอกงามของมุทิตา <c oughs> ก็คือสงบระ ง, งับความริษยาให้อันตรธ า, านไปได้และสมบัตหิหรือวิบัติของ มุทิตาก็คือสนุกสนานเกินเลยดังที่กล่าวแล้วอย่างนี้เป็นต้นพอมองเห็นนะเอาละพูดได้เมตตากรุณามุทิตาทีนี้สิ่งที่ยากสุดเนี่ยที่จะมานําเสนอเวลาก็หมดเลย <c ười> คืออุเบกขาแต่จะกล่าวเราเล่าก็ไว้ก่อนจะกล่าวพอเป็นแนวทางเพื่อให้เราได้เออได้ได้ได้เข้าใจ อุเวขาเนี่ยถามว่าใช้ในสถานการณ์ไหนเมตตาใช้ในสถานการณ์ปกติกรุณาใช้ในสถานการณ์ที่ผิดปกติขาลงมุทิตาใช้ในสถานการณ์ที่ผิดปกติขาขึ้นนะครับประสบการแล้วเวขาใช้ในสถานการณ์ไหนใช้ในสถานการณ์ที่จะรักษาธรรมะตามความรับผิดชอบต่อกรรมที่เขาทําอันนี้รักษาธรรมะ รักษากฎธรรมชาติรักษากฎกติกาที่ตั้งกันไว้ฉะนั้นจะต้องรักษาธรรมะอันนี้ถ้ามองดยเมตตากรุณาเมตตาเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคนนะรักษาคนนะแต่ถ้าอเวขาเนี่รักษาธรรมต้องเนต้องการที่จะทำให้ธรรมะเนี่ยเข้ามากํากับในคนจริงๆนี่ประเด็นก็คือว่าลักษณะของอเวขาเป็นยังไง อุเบกขาเป็นไปโดยการเป็นกลางต่อคนและต่อสัตว์ทั้งหลายเป็นกลางนะไม่ใช่เฉยนะคำว่าเป็นกลางเนี่ยตัตรมชตตาเนี่ยความเป็นกลางการที่จะให้เป็นกลางต่อคนต่อสัตว์ทั้งหลายต้องมีปัญญานีต้องมีความรู้ความเข้าใจเนี่ย้างั้นไม่จะเฉยไม่รู้เรื่องอุ ding. เบกขาบางทีเราไปแปลว่าเฉยเฉยไปเฉยมามันกลายเป็นเฉยเฉยเมยจะเฉยเมย เฉยเมยในลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นการเป็นัญญานุเปกขาเฉยแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวเป็นการเฉยที่ที่เป็นปกวางเฉยในการวางเฉยในที่นี้จะต้องเป็นการวางเฉยที่เป็นไปอย่างถูกต้องดีงามตรงนี้เดี๋ยวจับประเด็นตรงนี้นิดนึงก่อนว่าเมตตาขยายออกจากชันทะอยากให้มันดีอยากทําให้มันดีที่ปรารถนาดีให้เขาอยู่ดี เป็นปกติสุขเห็นไหมจากชันท่ามันก็ขยายออกมาไอาความอยากอยากอยากให้มันดีอยากทําให้มันดีนี่แหละที่ปรารถนาดีให้เขาอยู่ดีเป็นสุขเป็นต้นปกติสุขส่วนกรุณาเนี่ยขยายออกมาจากชันท่าคืออะไรอยากให้มันดีอยากทําให้มันดีที่ปรารถนาดีให้เขารอดพ้นจา ก, จากภัยจากทุกจากอันตราย ส่วนมุทิตาเนี่ยขยายมาจากฉันท้าก็คืออยากให้มันดีอยากทำให้มันดีที่ปรารถนาดีให้เขาเจริญงอกงามมีความสุขความสำเร็ จ, จเจริญภพยบูญยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ส่วนอุเบกขาเนี่ยนะไอตัวอุเบกขาเนี่ยถ้าเรามองให้ดีเราจะเห็นชัดบอกว่าไอตัวความที่บอกว่าถ้าเรารู้เท่าทันความจริง ความปรารถนาดีหวังดีของคนเราเนี่ยไม่อาจจะไม่ก็คือไม่ควรเกินเลยขอบเขตของความเป็นจริงธรรมชาติการที่เราไปทำอะไรมันเกินเลยขอบเขตของความจริงธรรมชาติเนี่ยและกฎกติกาที่ของสังคมด้วยคือเรื่องของความจริงความถูกต้องความดีความชั่วความเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ว่าเราจะปรารถนาดีอย่างไรก็ตามมันก็เป็นไปในขอบเขตของกฎธรรมะ และก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยคนเราจะต้องตันหนักรู้และยอมรับความจริงในข้อนี้ให้ชัดถ้าคนเรานะถ้าทำอะไรเนี่ยเกินเลยหรือละเมิดความจริงผิดกฎกติกาความดีงามหรือหรือความถูกต้องชอบทำความเป็นเหตุเป็นผลความเป็นไปตามเหตุปัจจัยพูดสั้นๆว่าผิดธรรมเนี่ยเราก็ต้องมีท่าทีอีกอย่างหนึ่งก็คือมาสร้างดุนยาภาพ หรือคมไว้มีหลักไว้ก็คือในข้อที่4ี่เขาเรียกว่าอุเบกขาคมให้ความปรารถนาดีต่อกันถึงเริ่มต้นจากเมตตาที่มีฉันทะอยากให้เขาเข้าถึงความดีมีความสุขตลอดถึงกรุณาและมุทิตาเนี่ยไม่ละเมิดธรรมไม่เกินขอบเขตแห่งเป็นไปตามเหตุและผลทีนี้ประเด็นก็คืออุเบกขาเป็นไปโดยการเป็นกลางในสัตว์ทั้งหลายกิจหรือหน้าที่ของอุเบกขาก็คือว่ามองเห็น ความเสมอภาคกันในสัตว์ทั้งหลายมองเห็นความเสมอกันสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเสมอกันหมดเนะผลปรากฏก็คือระ ง, งับความขัดเคืองความเสียใจและความคล้อยตามยินดีได้อภิชาและธมนัตจะไม่เกิดของคนที่มีมีการวางใจเป็นกลางนะคอยการความดีใจความเสียใจคอยตัดรอนไม่เกิดขึ้นแล้วจะกคิดยังไงนะ หมีฉันทะและมีใจปรารถนาที่จะทําให้อุเวขาเกิดขึ้นการที่จะทําให้เกิดขึ้นได้ก็ต้องมีความเพียรพยายามแล้วก็มีการอุทิศกายใจแล้วมีปัญญาในการไปวิจัยแยกแยะมองยังไงจะทําคิดยังไงจะทำให้อเวขาเกิดขึ้นมองเห็นภาวะที่ทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมของตนสัตว์ทั้งหลายจะได้ความสุขสัตว์ทั้งหลายจากพ้นทุกข์สัตว์ทั้งหลายจากไม่เสื่อมจากสมบัติที่ได้ถึงตามใจชอบได้อย่างไร ดัสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นไปตามกรรมของแต่ละบุคคลที่ทำถ้าทำเหตุของสุขเขาก็ได้รับความสุขทำเหตุแห่งทุกข์เขาได้รับความทุกข์ฉะนั้นอุเบกขาเนี่ยจึงเป็นการวางใจที่เป็นกลางมากแล้วต้องมีปัญญาไปวิจัยแยกแยะเพื่อจะรักษากฎเกณฑ์กติการักษาธรรมะมันจะมีสองกฎนะกฎมนุษย์กับกฎธรรมชาติหรือกฎความจริง ทีนี้อุเบกขาใช้ในสถานการณ์ไหนในสถานการณ์ที่ไม่ควรใช้เมตตาไม่ควรใช้กรุณาไม่ควรใช้มุทิตาเห็นไหมในยามที่เอายกตัวยอย่างสถานการณ์แบบไหนที่ไม่ควรใช้เช่นเช่นสถานการณ์ที่เอามองอย่างนี้นว่าถ้ามีลูกลูกไปทําความผิดทําความผิดกฎเกณฑ์กติกาของสังคม เรามีความสามารถในอันที่จะสามารถไปบิดเบือนหรือไปแก้ไขกติกาของสังคมได้เพื่อต้องการให้ลูกพ้นผิดได้ถ้าเรายับยั้งชั่งใจไม่ได้ถ้าทำอย่างนี้เสียอะไรเสียคุณธรรมเป็นอคติลำเอียงเพราะรักบ้างลำเอียงเพราะโกรธบ้างลำเอียงเพราะหลงบ้างลำเอียงเพราะกลัวบ้างฉะนั้นอคติจะกิ น, นทันทีนั่นต้องวางใจเป็นกลาง เมื่อตั้งกฎเกณฑ์กติกากันไว้อย่างนี้แล้วถ้าเขาจะต้องรับผิดตามกฎเกณฑ์กติกาสังคมนั้นเขาก็ต้องรับนี่ก็วางใจเป็นกลางได้ยังไงวะไม่ไม่ทําความเครียดความโกโรธให้เกิดขึ้นหรือในขณะเดียวกันถ้าคนที่เราเกลียดเขาทําผิดเขาทําผิดกฎเกณฑ์กติกาเขาก็ต้องรับก็ไม่ทําความสะใจให้เกิดขึ้น มันคนเพิ่สะใจไงไหมนี่เราไม่วางใจเป็นกลางเนี่ยนั้นเราต้องรักษาดุลยภาพในใจรักษาธรรมะรักษาให้คุณธรรมในใจเกิดขึ้นวางใจเป็นกลางว่าเขาจะได้รับสุขได้รับทุกข์จะสมหวังผิดหวังจะรับดีหรือไม่ดีมันเกิดจากกรรมการกระทําของเขาเมื่อกฎเกณฑ์กติกาว่าอย่างไรก็ต้องได้เป็นไปอย่างนั้นนี่ก็เรียกกฎสมมุติกฎกติกาของสังคมเดิมนั้นทีนี้มันมีอีกกฎหนึ่งคือกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติเช่นเช่นพ่อ โธ่วิบากกรรมเล่นงานเช่นเช่นยังไงดูไหมโธ่วิบากกรรมคือว่าทําให้โรคเบียดเบียนพ่ออย่างรุนแรงเลยเราก็ใช้กรุณากับพ่อเต็มที่แล้วในการช่วยเหลือใช้ใช้ใ ช, ใ ช, ใ ช, ใ ช, ใช้ใช้ไปแต่ในส่วนจริงกระแสชีวิตของพ่อก็สุดลงสุดลงสุดลงเนี่ยวาระนั้นต้องวางใจเป็นกลาง พิจารนาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนพ่อทํากรรมที่เกี่ยวกับอกุศลก็ไว้เบียดเบียนชีวิตสัตว์ไว้ทํากรรมแบบไม่ดีก็ไว้ตอนนี้กรรมนี้กําลังส่งผลให้พ่อต้องประสบปัญหาชีวิตโรคภัยแข่เจ็บเบียดเบียนอย่างรุนแรงยังไม่ถึงคราวที่ต้องตายก็จะต้องมาตายก่อนกําหนดแล้วเนาะนี่นี่กระวางใจเป็นกลางไม่ ท, ทมําโทมาัะให้เกิดขึ้นไม่ทําความเสียอกเสียใจใเกิดขึ้น พิจารณาวางใจเพ่งดูอยู่ด้วยปัญญาด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจตระหนักชัดว่าเราจะไม่ทำบาปเราจะขวนขวายทำสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าอุเวคาอย่างนี้เป็นต้นแต่อเวคานี่ยังมีสถานการณ์อีกเยอะอ่ะเยอะมากอายกตัวอย่างคนบางคนเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกนะใช้แต่เมตต า, า, าทั้งๆภาวะที่ ในยามปกติเนี่ยใช้เมตตาได้ยามที่ลูกประสบปัญหาชีวิตกรุณาได้ยามที่ลูกประสบความสําเร็จมุทิตาได้แต่ต้องดูด้วยนะว่าเป็นเมตตาแท้กรุณาแท้มุทิตาแท้ยามที่ลูกจะฝึกฝนพัฒนาตนเองเช่นลูกต้องการจะทํางานฝึกต้องการจะทําการบ้านหรือต้องการที่จะฝึกร่างกายตัวเองให้แข็งทํากิจกรรมต่งางๆแม่ไปช่วยตลอดกรุณาลูกแต่พื่ลูกเอามานี้เดี๋ยวแม่ทําการบ้านให้ ลูกเอางานมานี้เดี๋ยวแม่ช่วยทําให้อะไรโอ้โหแม่ตลอดขนขวายตลอดไปที่ไรแม่ช่วยแม่ช่วยนี่เขาเรียกว่าอะไรใช้ใช้ธรรมะผิดวาระนั้นน่ะเป็นวาระที่ต้องเพ่งดูเฉยวางใจเป็นกลางควรใช้เวกขาให้เขาได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองเขาจะได้รู้จักการฝึกพัฒนาสมหวังผิดหวังเป็นยังไงเขาจะได้เรียนรู้ทั้งหลายเนี่ยเราก็กลับไป ปฏิบัติเขาเรียกธรรมะผิดแปลว่าเราไม่มีธรรมะหรือใช้ธรรมะผิดขั้นตอนตอนนั้นเขาเรียกปฏิบัติธรรมะผิดเข้าใจนะนี่ปฏิบัติธรรมะผิดอย่างนี้เป็นต้นสรุปแล้วตรงนี้เอาแล้วเดี๋ยวจะเปิดสายให้ถามใครที่ปรารถนาอยากจะถามปัญหาเพราะเวลาล่วงเลยมาพอสมควรนะ ใครมีความประสงค์อยากจะถามแล้วก็เปิดเสียงมาได้เลยถ้าปรารถนาอยากจะถามแต่ให้ถามอยู่ในหมวดนี้นะในหมวดอยู่พรหมวิหารที่เชื่อมลงสู่สังขาวัตถุหรือว่าถ้าเป็นพระก็เชื่อมลงสู่สารานิยธรรมทั้งหกคือไม่มีเวลไอมันในรายละเอียดมันมันอามาอาจจะ ลงรายละเอียดได้ไม่ดีพอแต่ก็เพียงพยายามเต็มที่ที่จะให้เราทั้งหลายได้เห็นแง่มุมในการปฏิบัติธรรมจริงๆถ้าเราอย่างเนี้ยไปอยู่นาะที่ไหนการปฏิบัติธรรมจะถูกขับเคลื่อนได้จริงเนาะโยมที่ฟังอยู่มีใครสงสัยอะไรถามได้เลยนะมีไหมถ้าไม่มีแล้วจะได้ปิดมีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีเนา ะ, ะไม่มีก็ไม่เป็นไร อา้า ม, ม, มีพระที่นั่งอยู่โดยจะถามมาเชิญเชิญ ข, ขอโอกาสครับพระอาจารยเา์เมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องอุเบกขาก็เลยมาคิดต่อในเรื่องของอคติสอยากจะขอให้พระอาจารย์ขยายความเชื่อมโยงของอุเบกขากับอคติสีที่มีฉันทาคติโทสาคติโมหาคติ พยาคติที่มันเกี่ยวข้องกันยังไงกับอุเบกขาในพรหมวิหาร4ครับอาจารย์ขอขอโมดนานในคำถามคืออย่างนี้นะตัวอุเบกขาเนี่ยก็ผลปรากฏของอุเบกขาก็หมายความว่าคุณสมบัติของอุเบกขาเนี่ยสมบัติก็คือว่า ถ้าอุเบกขาจะสมบูรณ์จากบริบูรณ์ดูตรงไหนดูความที่ว่าสามารถสงบระงับความยินดีความยินร้ายเป็นต้นนะได้ฉะนั้นการเมื่ออุเบกขาเกิดขึ้นตัวตต ร, รมชาตตาที่เป็นตัวอุเบกขาเกิดขึ้นซึ่งมีตัวฉันทะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดมีความเกล้ากล้ามีการจิตจดจ่อผลักดันให้เกิดให้ตั้งมั่นขึ้น แล้มีปัญญาเข้าไปสอบสวนโดยเฉพาะปัญญาต้องเด่นมากไปสอบสวนตรวจตาเกิดขึ้นเพราะเวขาเข้าไปนั่งแท่นในใจเกิดขึ้นได้จริงอุเวขาเนี่ยจะไประ ง, งับความยินดีที่เป็นที่เป็นฉันทากติไประ ง, งับความยินร้ายที่เป็นโทสาคติและพยาคติและไประ ง, งับความโง่ความไม่รู้เรื่องที่เป็นโมหคติเพราะไอ ตัวอุเบกขาเนี่ยคำว่าวางเฉยในที่นี้การเข้าคอยไปมองดูอยู่ใกล้ๆอุปะเียไว้ว่าใกล้ปปเลไหมเปกขาการเพ่งดูมองดูการเพ่งดูมองดูด้วยปัญญาด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจแล้วก็วางใจเป็นกลางไอตัวถ้ามีฉันทากติปุ๊บเนี่ยแปลว่าไม่เป็นกลางแล้วถ้ามีโทษาคติก็ระงับ ไม่ได้ไม่เป็นกลางแล้วถ้ามีพยาคติคือกลัวก็ไม่เป็นกลางโดยเฉพาะถ้ามีโมหะคติก็กลายเป็นอัญญานุเปกขาเฉยล้โง่เฉยแล้ไม่รู้เรื่องฉะนั้นถ้าอุเบกขาเกิดขึ้นต้องขจัดอคติทั้งสี่เกลี้ยงเลยใจก็ปลอดโป่งร่วงเบามองเห็นสัตว์สังขารทั้งหลายแล้วก็เข้าใจตลอดถึงธรรมะรักษาธรรมะรักษากฎเกณฑ์กติกา ว่าสัตว์ทั้งหลายจะได้รับสุขได้รับทุกข์สมหวังผิดหวังได้ดีตกยากตลอดถึงได้ยศเสื่อมยศได้ลาบเสื่อมลาบทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นไปตามกรรมของสัตว์ทั้งหลายที่ทําเมื่อสัตว์ทั้งหลายทํากรรมที่จะสมหวังวก็สมหวังทํากรรมที่ผิดหวังว ก, ก็ผิดหวังเขาจะได้ลาบก็ต้องได้ลาบแน่นอนเพราะเขาสร้างเหตุปัจจัยที่จะได้ลาบนี้เป็นต้นเราก็วางใจเป็นกลางกับสัตว์และสังขารเหล่านั้นได้อย่างแท้จริงนี่ก็รักษาธรรมะรักษาความถูกต้องดีงาม ขจัดอคติได้โดยเฉพาะก็คือว่านอกจากขาจัดอคติได้แล้วเนี่ยยังสามารถที่สงบระงับเมตตากรุณามุมตตาได้ด้วยเยกยกตัวยอย่างเช่นว่าลูกประสบปัญหาชีวิตเพราะกรรมที่ลูกทำถ้าเราไปขวนขวายช่วยเหลือผิดธรรมะผิดกฎเกณฑ์กติกาเช่นลูกไปฆ่าเขาลูกก็จะต้องถูกดาเนินคดีติดคุกแต่ตอนนั้นเรา ไม่ได้เราจะต้องกรุณาลูกใช่ไหมต้องละฉันทากติเป็นต้นหรือโทสาคติเป็นต้นที่เราโกรธอะไรก็แล้วแต่ที่จะไปคุน ข, นขวายไปช่วยลูกเนี่ยต้องระ ง, งับเมตตาไม่ให้เมตตาเกิดให้อุเบกขามาทําหน้าที่เพื่อจะรักษาธรรมะรักษากุศล ร, รักษาความดีไม่ให้มีอคติไม่เลือกที่รักปากที่ช้างให้เกิดขึ้นงี้เป็นต้นนี่นมันจะต้องมามาผักให้ตัวอุเบกขาให้เกิดขึ้นได้จริง อ, อย่างกรณีอย่างผู้พิพากษาฉะนั้นผู้พิพากษาเนี่ยสําคัญมากเลยคนที่เป็นผู้พิพากษาเนี่ยเวาลาจะตัดสินคดีความทั้งหลายต้องไม่อินไอคนนี้ทําชั่วมาหูยพออ่านประวัติมาแล้วเนี่ยอินสมควรตายเนี่ยนี่กรณีแบบเนี้ยแล้วก็ลงโทษตัดสินว่าสมควรตายใจก็มีความคิดสมควรแล้วเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกเสียความเป็นอุเบกขา จริงๆแล้วเนะี่ยเราไม่ได้มีส่วนกรณีที่เขาเราไม่มีส่วนที่จะไปจัดการเขานะแต่กฎเกณฑ์กติกาที่ตั้งไว้ต่างหากไปจัดการเขากรรมที่เขาทำต่างหากไปจัดการเขาเราเป็นเพียงผู้ชี้กฎให้กฎมันทำงานให้กติกามันทำงานแต่เราไม่ได้ไปชี้ว่าเองสมควรตายนี่มันเลยเลยกฎเลยกติกานี่มันเสียธรรมะมันเสียมันมีอคติเรียบร้อยไปแล้ว เนี่ยมันได้บาปแล้วเราก็ไปมีส่วนในการไปเกี่ยวข้องกับบาปอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นคนนี้สมควรที่จะยึดทรัพย์มันซะเลย <c oughs> อย่า ง, า ง, างเงี้เนี่ยเขาเลยกฎเกนฑ์กติกาผู้วิเวกษาไม่เรียนพ ม, มิหารให้ชัดให้ลึกนี่เสียหายกันหมดเลยเสียหายเลยะนั้นทั้งทั้งที่เราไม่ต้องไปบาปกับเขา เราก็แค่เป็นผู้ชี้กฎให้กฎทําหน้าที่ใครเป็นทําผิดไปตามกฎกฎเกณฑ์กติกายังไงกติกความว่ายังไงก็ชี้กดให้กฎมันทํางานไม่ใช่ไม่กฎทํางานไม่ใช่เราเราไม่ได้มีเจตนาเองจงตายเองจงอยู่เองจงถูกยึดทรัพย์ไม่ถูกยึดทรัพย์เองถูกยุบไม่ถูกยุบอะไรก็แล้วแต่โอ้ยขออภัยอย่างนี้สมมุติสมมุติสมมุติเนี่ยมันผู้พิพากษาก็ต้องต้องชัดในเรื่องถ้าไม่ชัดละปัญหาเกิด เ, ออเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวตระหนึกไม่มีใครถามแล้วเนาะขอโมทนาก็มีไหมโอ้ไม่มีใครถามเลยแสดงว่าบรรยายวันนี้เข้าใจกันทุกคนเลยโมทนาแต่ละท่านเลยนะที่ตั้งใจแล้วก็มาเยี่ยมเยียนกันในการฟังธรรมะเป็นการสนทนาธรรมนะถ้ามีโอกาสก็จะให้ พระท่าน ถ, าถ้าไม่ป่วยไม่เจ็บถ้ามีเวลาก็สนทนาธรรมะกันเนาะชีวิตที่ยังอยู่เจอหน้ากันก็ปฏิสันฐารกันโดยธรรมะแล้วก็เอาธรรมะไปใช้ให้เกิดขึ้นได้จริงจะได้เรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็หวังมีความคิดปรารถนาดีกับโยมทุกท่านว่าอยากให้โยมปฏิบัติธรรมะกันได้จริงๆไม่ใช่ว่าเป็นการปฏิบัติธรรมะแบบ แบบแค่รูปแบบอยากให้เข้าถึงเป็นเนื้อเป็นตัวแล้วจเจริญ ง, งอกงามในพระธรรมที่ไหของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงด้วยอนุภาพแห่งคุณของพระเจ้าพระธรรมปาริยสงฆ์จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนค้มครองกระแสชีวิตนำพากระแสชีวิตของโยมญาติมิตรทั้งหลายให้ดำเนินไปตามมารยาของพระคินเจ้าคือศีลสมาธิปัญญาพัฒนาศีลสมาธิปัญญาประชุมในคณิกาสมาธิ อุปจารแสมาธิอัปนาสมาธิและวิปัสนาญาณทุกระดับจนสามารถไปประชุมศีลสมาธิปัญญาในอริยมรรคอริยผลลุถึงซึ่งอนุปาทาปริณิพานคือพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกประการเทือนสาธุสาธุสาธุลมกับพระยังอ่ะกับพระกันด้วยนะกับพระตนตรหยกันด้ว